แลทีนี้ต่อไปมาดูอาปโปธาตุดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็อาโปธาตุเป็นชไหนะคืออาโปธาตุที่เป็นไปในภายในก็มีอาโปธาตุที่เป็นไปในภายนอกก็มีก็อาโปธาตุที่เป็นไปในภายในเป็นชไหนะคืออุปาทินหน้การูปอันเป็นภายในเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบถึงความเอิบอาบที่มีอยู่ในกายนี้มี น้ำดีน้ำเสลน้ำหนองน้ำเลือดเงื่อมันคข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดอัสวะนะหรืออุปาทินกับรูปสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นภายในเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบถึงความเป็นของเอิบอาบอย่างอื่นนี้เรียกว่าอาโปธาบในภายในนะของที่มีความเอิบอาบนะพวกเงือเป็นต้นเนี่ยที่มีอยู่ในกายนี้ ก็อาโปธาตุอันใดแลเป็นไปในภายในและอาโปธาตุอันใดเป็นไปในภายนอกนั่นเป็นอาโปธาตุแลนั่นก็คือธาตุน้ำบัณฑิตพึงเห็นอาโปธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราก็คือนั่นไม่ใช่นะคือปฏิเสธการเกิดขึ้นของตันหามานะและทิฐิ ไม่ตามเห็นตามยึดถืออาโปทาต์เหล่านั้นด้วยอํานาจของตันหามานะและทิฏฐินั่นเองครั้นเห็นอาโปทาต์นั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในอาโปทาต์นะโอ้ยเพราะอาโปทาต์นี่แหละนะที่ทุกเนี่ยก็อ า, อาโปทาต์นั่นแหละทุกข์กับทุกข์เพราะเลือดอนะเนาะว่าถ้าโรคบางอย่างก็มีเลือดเป็นเลือดอะไรเลือดเข้มเกินไปเลือดจางเกินไปนะ มีรายโรคกันนะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเลือดมาเล่าให้ฟังนะอาโปแล้วก็ถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้ก็ยังจิตให้คลายกำหนัดในอาโปธาตุสมัยที่อาโปธาตุเป็นภายนอกกำเริบจะมีได้แหละเรียกว่าน้ำท่วมโลกอ่ะได้ยินเ น, นะน้ำท่วมโลกทำให้โลกเนี่ยแตกทำลายชิบหายไปอ่ะนะ อาโปธาต์อันเป็นไปในภายนอกนั้นย่อมพัดเอาบ้านไปบ้างพัดเอานิคมไปบ้างพัดเอาเมืองไปบ้างพัดเอาชนบทไปบ้างพัดเอาประเทศแห่งชนบทไปบ้างน้ําที่เมืองจีนเนี่ยทะลักมาทิ้งคนตายเยอะนั่นแหละน้ำท่วมน้ํมาลายเนี่ยทำให้คนตายเยอะในสมัยที่น้ํามหาสมุทรย่อมลึกไปชั่วร้อยโยอดบ้าง200โยชอดบ้าง300 4้อยสี่ร้อยห้าร้ยหกร้อยยยดย่อมมีได้แหละน้ําทะเลเนี่ยบางแห่งเนี่ยลึกจริงๆ สมัยที่น้ําในมหาสมุทรขังอยู่เจดชั่วลำตาบ้างบางครั้งเนี่ยน้ำทะเลที่มันลึกขนาดนั้นก็ยังลดเหลือไม่กี่เมตรเองนะหกห้าสี่สามสองหนึ่งชั่วลำตาบ้างสมัยที่น้ําในมหาสมุทรเนี่ยขังอยู่เจ็ดชั่วบุรุษบ้งก็คือประมาณ1ิี่เมตรสิหเมตรอ่ะลึกแค่นั้นเหห้านสะี่สามสองชั่วบุรุษหรือประมาณชั่วบุรุษเดียวก็คือประมาณเมตรเศษๆอย่างเงี้ยสองเมตรอย่างเงี้ย ในสมัยที่น้ําในมหาสมุทรเนี่ยขังอยู่กึ่งชั่วบุรุษบ้างนะประมาณเพียงเอลบ้างประมาณเพียงเขาประมาณเพียงข้อเท้าย่อมมีได้แหละน้ําทะเลเนี่ยใครไม่เคยเห็นทะเลบ้าง <Okay. S 1> ไม่มีเนาะเห็นน้ำมดแล้วน่ะทะเลที่มันลึกมากขนาดนั้นที่ยังหาน้ํายากเลยอะ่ะสมัยที่น้ําพอเปียกข้อนิ้วมือ จะไม่มีในมหาสมุทรก็ย่อมมีได้แล้วขนาดเอานิ้วเนี่ยไปจิ้มในทะเลให้มันชุ่มมือหน่อยก็ยังไม่ได้มันแห้งหมดอ่ะก็เชื่อว่าความที่แห่งอาโปธาตุอันเป็นไปในภายนอกซึ่งมากถึงเพียงนั้นเป็นของไม่เที่ยงจักปรากฏได้ความเป็นของสิ้นไปเป็นธรรมดาจักปรากฏได้ความเป็นของเสื่อมไปเป็นธรรมดาจักปรากฏได้ความเป็นของแปรปลุนไปเป็นธรรมดา จะปรากฏได้ก็ฉนัยความที่แห่งกายอันตันหาเข้าไปถือเอาแล้วว่าเราว่าของเราว่าเรามีอยู่อันตั้งอยู่ตลอดการพอประมาณนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเป็นของมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นของมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาจักไม่ปรากฏเล่าใช่ไหมไอขนาดน้ําภายนอกมันยังเหือดแห้งน้ําในเขื่อนบางทีเหลืออย่างนี้เดียวแล้วน้ําที่อยู่ในกายเนี่ยจะมั่นคงถาวร อ, อยู่หรือ งงเมื่อเป็นเช่นนี้ความยึดถือด้วยสา ม, มารถตันหามานะและทิฐิในอาโปธาตย่อมจะไม่มีแก่ผู้นั้นเลยนะแล้วก็ถ้าหากว่าถูกด่าเป็นต้นก็ตามระยะที่ผ่านไปแล้วหากว่าเมื่อพิสูจน์นั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมย่อมตั้งอยู่ได้ด้วยดีไซน์นะจนถึงถูกเขาด่าถูกเขาทุบตีเป็นต้นก็ ตามละเลิกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อ่ะนะแล้วกุศลธรรมก็ตั้งมั่นอยู่ด้วยดีภิกษุนั้นย่อมเป็นผู้ปลื้มใจเพราะเหตุนั้นดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายด้วยเหตุแม้มีประมาณเท่านี้นแหละคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอันภิกสุททำให้มากแล้วนวิธีการปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าก็การพิจารณาธาตุน้าที่มีอยู่ในกายนี้ก็ช่วยได้เยอะ ดูการท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็เตโชธาตเป็นไงนะคือเตโชธาตที่เป็นไปในภายในก็มีเตโชธาตที่เป็นไปในภายนอกก็มีก็เตโชธาตที่เป็นไปในภายในเป็นไงนะคืออุปาทินนักการเริ่อันเป็นภยัยภายในเฉพาะตนเป็นของเล่าร้อนถึงความเล่าร้อนนะไอ้ที่เจ็บปวดเี่มาแรงปวดปวดนี่ก็เพราะอะไรปวดรู้ไหมก็คือเตโชธาตนั่นแหละมันกำเริบมันก็เลยปวดมาก ก็เตโชธาตที่เป็นเครื่องอบอุ่นแห่งกายหนึ่งนะสองเตโชธาตที่เป็นเครื่องสุดโซมแห่งกายเตโชธาตที่เป็นเครื่องเร่าร้อนแห่งกายเตโชธาตที่เป็นเครื่องย่อยอาหารที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วเป็นของที่ริี้มแล้วนะก็หรืออุปกกาทินกาศรวบสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปภายในเฉพาะตนเป็นของเร่าร้อนถึงความเป็นของเร่าร้อนอย่างอื่นนี้เรียกว่าเตโชธาตเป็นไปในภายใน เตโชธาตที่มันทําให้ร่างกายเนี่ยที่ร้อนความร้อนมันลดไปเรียกว่าเย็นอย่าเยือกนั่นแหละก็คือลักษณะของเตโชธาตเหมือนกันนะบางครั้งเนี่ยร้อนจนเหงื่อแตกบางครั้งก็เย็นอย่าเยือกนังั้นะความร้อนความเย็นส่วนหนึ่งก็อาศัยเลือดด้วยนะมนุษย์เป็นสัตว์เลือดไรเลือดอุ่อออนนะถ้าช่วงไหนเลือดมันมันไม่ไม่ไหลเวียนนะเย็นอย่าเยือกเลยนะอ่ามีมีบางท่านเนี่ยป่วยเป็นโรค เกี่ยวกับมาลาเรียอย่างนี้ใช่ไหมเลือดมันไม่ไหลเวียนเนี่ยมันเย็นจะเยือกหมดเลยนะซอนก็เลือดไม่ไหลเวียนละอันเลือดนี้ก็ช่วยทําให้เกิดความอบอุ่นด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเตโจาธาตุเนี่ยมีความสําคัญต่อร่างกายนี้มากร้อนเกินไปดูสิไม่ไหวเย็นเกินไปก็ไม่ไหวถ้ามันร้อนเฉพาะที่เป็นไงก็ปวดสิเนะีเช่นมันร้อนในศีรษะมากก็เรียกว่าปวดหัวนะีร้อนที่ขามากก็เรียกว่าปวดขาอย่างเงี้ยก็คือลักษณะของ เตโชธาตันนั่นแหละเพราะโรคมะเร็งโรคอะไรก็คือลักษณะของเตโชธาตเตโชธาตมีกี่สมุฐานหนึ่งเกิดจากกร้มสองเกิดจากจิตสามเกิดจากอุตุสี่เกิดจากอาหารนะเวลามันเกิดกับเออเนี่ยมันมหาภูตรูปเหมือนกับงูเห่านั่นแหละเลี้ยงในเชือกรับนะเพราะฉันพิจารณามหาภูตรูปเหล่านี้ ก็เตโชธาต์อันใดแลเป็นไปในภายในเตโชธาต์อันใดเป็นไปในภายนอกนั่นเป็นเตโชธาต์แหลบัณฑิตพึงเห็นเตโชธาตุนั้นนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราของเราหรือเปล่าของเราก็น่าจะเฟืองฟังกันบ้างอ่ะเนาะปวดน้อยน้อยได้ไหมไม่ฟังหรอกนั่นเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่เป็นอัตตาของเรา หรือว่าเห็นด้วยปัญญาว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่เป็นอัตตาของเราก็คือเห็นยังไงเห็นว่าเตโชธาตุนั้นก็เป็นของที่เกิดด้วยปัจจัยและคือกรรมจิตอุตูอาหารเป็นต้นเป็นปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าปัจจัยเหล่านั้นไม่มีก็ามีความสิ้นไปมีความเสื่อมไปเป็นของที่อยู่อยู่ไม่ได้บัณฑิตครั้นเห็นเตโชธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายใน เตโชธาตย่อมยังจิตให้คลายกำหนัดในเตโชธาตอันเตโชธาตเนี่ยมีความสําคัญมากนะหน้าหนากวกว่าเตโชนั่นแล้วหน้าร้อนเตโชนั่นแล้วนะอันหน้าฝนก็อยูาโปม <c oughs> ันก็เกี่ยวกับธาตุธาตุนั่นนะไม่พอนั้นมหาภูต ร, รูปนี่มันวิจิตจริงๆนะในสมัยที่เตโชธาตอันเป็นไปในภายนอกกําเริบย่อมมีได้แล้ เตโชธาติอันเป็นไปในภายนอกนั้นย่อมไหม้บ้านบ้างเคยเห็นไฟไหม้บ้านไหมอันแหละย่อมไหม้เมืองบ้างไฟไหม้เมืองก็มีไหม้นิคมบ้างไหม้ชนบทบ้างไหม้ประเทศแห่งชนบทบ้างเตโชธาติอันเป็นไปในภายนอกนั้นมาถึงหญ้าสดไหมมาเรื่อยเื่ถึงหญ้าสดเป็นไงหมอดใชพอไฟนี่มาถึงหนทางหมอดมาถึงภูเขาก็ดับอีกหรือมาถึงแม่นม้ําหรือภูมิพิภาค อันเป็นที่รื่นรมก็ไม่มีเชื้อย่อมดับไปนั่นเองอั้นไฟนี้เป็นก็ไฟเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยอาศัยเชื้อถ้าไม่มีเชื้อนั้นนนัน้ไฟก็ย่อมหมดไปดับไปชั้นได้ขนาดมันใหญ่โตขนาดนั้นใช่ไหมอย่างไฟไหม้บ้านไหม้เมืองไหม้นี่คมอะ่ะถ้ามันมอดจนหมดเชื้อแล้วเหลือไหมไฟเองก็ไม่เหลือเหมือนกันนั่นแหละขนาดมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นยังหมดก็ความาที่เตโชาธาตนะนะ อันเป็นไปในภายนอกนั้นซึ่งใหญ่ถึงความเพียงนั้นเป็นของไม่เที่ยงจักปรากฏได้ความเป็นของสิ้นไปเป็นธรรมดาจักปรากฏได้ความเป็นของแปรปรวนไปเป็นธรรมดาจักปรากฏได้ก็ฉนันความที่แห่งกายอันตัณหาเข้าไปถือเอาแล้วว่าเราว่าของเราว่าเรามีอยู่อันตั้งอยู่ตลอดการพอประมาณนี้กายนี้พอประมาณเนอะนานไหมนั่นแหละ ไปแล้วแต่ใครนะบางคนก็าอายุยืนหน่อยก็ร้อยเท่าไหรร้อยกว่าปีเนาะหาทํายายากเลยอเกินส่วนใหญ่เท่าไร่ส่วนใหญ่โอ้หลายสิบปีเหมือนกันเนะแต่แล้วเราอ่ะเราก็นะแน่นอนไหมเมื่อไหร่นะของเราเนี่ยไม่รู้เลยเนาะเมื่อไหร่ก็บอกว่าสิ่งที่รู้ไม่ได้คือเวลาตายสถานที่ทอดทิ้งร่างกายและพบที่ไปในเบื้องหน้านี่รู้ยากมาก อันนี้ไปเอาแน่นอนอะไรใช่ไหมคนอื่นจริงเขาอายุร้อยกว่าขวบของเราจะถึงหรือเปล่าของมาริดตึกตาธรรมะก่อนเดี๋ยวจะได้ไปเกิดใหม่จะได้เลือกเกิดดีๆหน่อยใช่ไหมยออศึกษาเพื่อเกิดอีกก็ศึกษาเพื่อทุกนันแหละอันนี้ยังยินดีในการเกิ ด, ดก็ยังยินดีในทุกผู้ใดยินดีในทุกผู้นั้นก็ไม่พ้นจากทุกเอา้าเกิดอีกก็ทุกอีกแล้ว พันร่างกายเนี่ยนะเป็นของที่มีพอประมาณเนี่ยกายอันนี้ก็ไม่เที่ยงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเป็นของมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นของมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาจักไม่ปรากฏเล่าเมื่อเป็นเช่นนี้ความยึดถือด้วยสามะมาตันหา ม, มานะและทิฐิในเตโชธาตุนั้นจักไม่มีแก่ผู้นั้นเลยถ้าตามเรียนรู้ศึกษาอย่างนี้มากๆตันหามไม่ได้ช่องล็อกมานะก็ไม่ได้ช่อง ที่ถีก็ไม่ได้ช่องนั่นแหละจนถึงอ่า น, นะถ้าหากว่าพิจารณาเตโชธาตมากๆอย่างนี้เกิดถูกด่าเข้าว่าว่าไงก็พิจารณาตามสูตรที่ว่าไปแล้วนั่นแหละหากว่าเมื่อพิสูจนนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบขาอันอาศัยกุศลธรรมย่อมตั้งอยู่ได้ด้วยดีไซน์พิสูจนนั้นย่อมเป็นผู้เปลื้มใจเพราะเหตุนั้นเดี๋ยวก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ด้วยเหตุแม้มีประมาณเท่านี้แล้วคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอันที่สูงนั้นทำให้มากแล้วนะดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็วาโยธาเป็นฉไห น, นคือวายโยธาที่เป็นภายในก็มีวาโยธาที่เป็นภายนอกก็มีวายโยธาที่เป็นภายในเป็นฉไหนเออโอปาทิ น, นากา้ากระเอันเป็นภายในเฉพาะตนนะเป็นของพัดไปมา นะถึงความเป็นของพัดไปมานะที่อยู่ในภายในเนี่ยนะก็คือลมพัดขึ้นเบื้องบนเช่นเคยเร่อไหมเตรอพวกเรอพวกลมมันตีขึ้นอะ่ะลักษณะนั้ น, นนะลมพัดลงเบื้องต่ำนะเช่นช่วยในการขับถ่ายเป็นต้นลมอันอยู่ในท้องนะอยู่ในท้องก็คือลมที่อยู่นอกลําไส้แล้วก็ลมที่อยู่ในลําไส้พวกแก๊สพวกอะไรนั่นแหละลมอันแล่นไปตามอวัยวะนะ้อยใหญ่ นะลมที่ทำให้คูเข้าทำให้เหยียดออกทำให้ยืนให้เดินให้นั่งให้นอนเนี่ยนะเขาเรียกว่าจิตชาวายโยธาเนี่ยนะนะแล้วก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็หรืออุปาทินาการูปสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นไปภายในเฉพาะตนเป็นของพัดไปมาถึงความเป็นของพัดไปมาอย่างอื่นนี้เรียกว่าวาโยธาอันเป็นไปในภายใน ก็วาโยธาตัดอันใดแลเป็นไปในภายในและวาโยธาตัอันใดเป็นไปในภายนอกนั่นเป็นวาโยธาตัแหลบัณฑิตพึงเห็นวาโยธาตันั้นนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้วันนั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราและก็คือพิจารณาโดยความเป็นของที่เกิดด้วยสมุทฐานวาโยธาตเหล่านี้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเกิดจากจิตเป็นสมุทฐานที่เหลือเกิดจากสมุทฐาน4อย่างด้วยกัน บันด็ดครั้นเห็นวายโยธาดนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในวายโยธาย่อมยังจิตให้คลายกำหนัดในวายโยธานะนะนะถ้าพิจารณาบ่อยๆปั๊ ก, กิเลสมันก็ไม่ได้ช่องไม่ได้ยึดถือในวายโยธาจนเกินไปวายโยธาที่เป็นภัยภายนอกกำเริบย่อมมีได้แหละวายโยธาภายนอกนะ ก็คือวายโยธาตอันเป็นไปในภายนอกนั้นย่อมพัดเอาบ้านไปบ้างพัดเอานิคมไปบ้างพัดเอานาครไปบ้างพัดเอาประเทศแห่งชนบทไปบ้างก็คือพวกพายุอ่ะนะพายุเนี่ยบางทีเนี่ยถอนบ้านถอนเรือนถอนตึกรามาบ้านช่องเนี่ยมันถอนไปเลยนะมันไฟโอ้เต้นไปหมดเลยแถวบ้านใาตมาเนี่ยอ่าหน้าหมู่บ้านเนี่ยโหต้นไม้เนี่ยลมเป็นทางเลยเลยนะลมมันหมุนอ่ะถอนต้นไม้ต้นโตโตนี่นะถอนต้นใหญ่กว่าเสาเนี่ยถอนไปหมดละ ลมมันแรงนะดนั้นบางแห่งเนี่ยพัดเอาบ้านพัดเอาเมืองพัดเอานิคมพัดเอาชนบทนะสมัยที่ชนทั้งหลายสแสวงหาลมด้วยพัดใบตานบ้างนะขนาดนั้นใหญ่ขนาดนั้นมันยังหมดไปเลยบางทีก็ต้องนั่งพัดเลยนะอย่างนนะขาดลมมันน้อยอ่ะต้องพัดเอาอ่ะะนั้นพัดลมที่พัดไฟบ้างนะหรือว่าในเดือนท้ายแห่งฤดูร้อน ในที่ชายคาชายญ้าทั้งหลายก็ไม่ไหวนะเคยเห็นไหมใบไม้ไมไมพายแผยมันยังไม่กระดิกเลยอ่ะลมลมันรุ่มหายไปไหนหมดใช่ไหมร้อนอบอา้าวตับแกตกเลยก็แล้คลายฝนจะตกเนี่ยนะก็ชื่อว่าความที่แห่งวายโยธาอันเป็นไปในภายนอกนั้นซึ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นเป็นของไม่เที่ยงจักปรากฏได้ความเป็นของสิ้นไปเป็นธรรมดา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 ของชั่วคราวเท่านั้นแหละเมื่อเป็นเช่นนี้ความยึดถือด้วยสามาตันหามานะและทิฏฐิในวายโยธาจะไม่มีแก่ผู้นั้นเลยหากว่าชนเหล่าอื่นจะพึงด่าตัดพอ่อจะกระทบกระเทียบเบียดเบียนภิกษุนั้นใส่ภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าทุกขเวทนาอันเกิดแต่โสตะสัมผัสนี้เกิดขึ้นแล้วไก่เราถูกด่ามาแล้วงงนเ ก็แต่ว่าท um ุกขเวทนานั่นแหละอาศัยเหตุจึงมีได้ไม่อาศัยเหตุจะมีไม่ได้ทุกขเวทนานี้อาศัยอะไรจึงมีได้ทุกขเวทนานี้อาศัยภาษะจึงมีได้ภิกษุแม้นั้นแลย่อมเห็นว่าภาษะเป็นของไม่เที่ยงย่อมเห็นว่าเวทนาเป็นของไม่เที่ยงย่อมเห็นว่าสัญญาเป็นของไม่เที่ยงย่อมเห็นว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงย่อมเห็นว่าวิญญาณทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง จิตอันมีธาตุเป็นอารมณ์นั่นเที่ยวของภิกษุนั้นย่อมแล่นไปย่อมผองไส ย, ย่อมตั้งอยู่ด้วยดีย่อมหลุดพ้นเจริญ ม, มิปั ส, สนาพิจารณาจราิงๆเนี่ยสามารถหลุดพ้นพ้นจากอะไรพ้นจากอุปาทานพ้นจากการยึดถือหากชนเหล่าเอิญจะพยายามทําร้ายภิกษุนั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรานาะไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจด้วยการประหารด้วยฟ้ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้ด้วยศาสตราภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายนี้เป็นสภาพที่เป็นไปด้วยการ ประหารด้วยฟ้ามือประหารด้วยก้อนดินประหารด้วยท่อนไม้ที่เป็นไปด้วยการประหารด้วยศาสตร์ตรัสร่หนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ในพระโอวาทอันเปรียบด้วยเรื่อยในกะกะจูปะมะสูตรว่าดูก่อนพิสูจนทั้งไม้แม้ว่าพวกโจรผู้มีความประพฤติต่ำช้าพึงตัดอวัยวะน้อยใหญ่ด้วยเรื่อยอันมีด้ามสองข้างไซด์เคยเห็นเขาตัดไม้ตัดท่อนสูงใช่ไหมัละข้างแคๆๆๆนั่นแหละ แต่ว่านี้ไม่ตัดไม่ตัดเมยมตัดคนอ่ะวอไงพิกสูผู้ยังใจให้ประทุษร้ายในพวกโจรแม้นั้นย่อมไม่เป็นผู้ชื่อว่าตามาทาตามคำสั่งสอนของเราด้วยเหตุนั้นดังนี้นะถ้าโกรธขึ้นมาในขนาดนั้นขนาดนั้นเนี่ยทิ้งพระพุทธเจ้าแล้วละ อ, อันหนึง่งความเพียงอันเราปรารคแล้วจักเป็นคุณยะยชาติไม่ย่อหย่อนสติอันเราเข้าไปตั้งไว้แล้ว จักเป็นคุณชาติไม่หลงลืมกายอันเราให้สงบแล้วจักเป็นสภาพไม่กวนกวายจิตอันเราให้ตั้งมั่นแล้วจักเป็นธรรมชาติมีอารมณ์เป็นอย่างเดียวก็คือกุศลจิตมันเกิดขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมพอกุศลจิตเกิดขึ้นมากๆแล้วคราวนี้นะเรียกว่ามีมีอาวุธและมีกุศลธรรมเกิดในภายในมากแล้วคราวนี้การประหารด้วยฝ่ามือทั้งหลายจะเป็นไปภายในกายนี้ก่็ดี การประหารด้วยก้อนดินการประหารด้วยท่อนไม้จะเป็นไปในกายนี้ก็ดีการประหารด้วยศาสตราจะเป็นไปในกายนี้ก็ดีตามทีเถิดคาสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้เราจะทําให้จงได้มันจะเป็นยังไงก็ช่างจัดเจริญกุศลธรรมนี่จะปฏิบัติธรรมนี่แหละดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายหากว่าเมื่อพิสูจน์นั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ นึกยังไงกุศลก็ไม่เกิดแต่ยังทําไงดีเพศสูนั้นย่อมสลดใจย่อมถึงความสลดใจเพราะเหตุนั้นว่าไม่เป็นลาภของเราเนอเราไม่ลาภไม่มีแก่เราหนอเราไม่ได้ดีแล้วหนอด้วยการ h, การได้ดีไม่มีแก่เราแล้วหนอที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระสงค์อยู่อย่างนี้โอเบขาอันอาศัยกุศลธรรมไม่ตั้งอยู่ได้ด้วยดีย ด, ดังนี้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 หากว่าเมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมคือวิปัสสนาเนี่ะย่อมตั้งอยู่ด้วยดีไซน์ภิกษุนั้นย่อมเป็นผู้ปลื้มใจเพราะเหตุนั้นดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แหลคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอนภิกษุนั้นทําให้มากแล้วดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอาศัยไม้และเถาวัลย ดินเหนียวและหญ้าแวดล้อมแล้วย่อมนับว่าเรือนชั้นใดสมัยก่อนเน่ยนะบ้านสมัยก่อนบ้านสมัยนี้ก็อาศัยเสาบ้างฟ้าบ้างกหลังคาบ้างอย่างเงี้ยนับว่าเรือนชันใดดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอาศัยกระดูกอาศัยเอ็นเนื้อและหนังแวดล้อมแล้วย่อมนับว่ารูปฉะนั้นเหมือนกันแหละหากว่าจักสุอันเป็นไปในภายในไม่แตกขลายแล้วนะคือตาเนี่ยถ้าตาไม่แตกเมืก่อนอย่างงี้ย และรูปอันเป็นไปในภายนอกย่อมไม่ปรากฏทั้งความกำหนดอันเกิดแต่จากสูและรูปนั้นไม่มีความปรากฏส่วนแห่งวิญญาณ น, นั้นอันเกิดแต่การกำหนดนั้นก็ยังมีไม่ได้ก่อนคือเหตุปัจจัยแห่งการเห็นมี4อย่างใช่ไหมหนึ่งตา2 ส, สีสแสงสว่างสีมณฑสีการแต่อันนี้เอามาแค่3มอย่างคือตาสีมณสีกาดอา่าอย่างเนี่ยนะถ้าตามีสีไม่มีจิตที่จะเห็นไม่มีจกขูวิญญาณเกิดห ไม่เกิดตามีสีมีแต่ไม่คิดจะเห็นเห็นไหมไม่เห็นหนั่นแหละก็คือสีหลายอย่างเนี่ยมีนะอย่างเช่นสมมตินะตามีสีมีกระดุมเสื้อคุณวิลาวันมีแต่ไม่สนใจดูมันก็ไม่เห็นนะอันมณสิกาเนี่ยจึงทำให้เห็นทีนี้ถ้าตามีนะเรียกว่า แต่ว่าในการใดจักสุอันเป็นไปในภายในไม่แตกไม่ทาลายแล้วและรูปอันเป็นไปในภายนอกย่อมปรากฏทั้งความกำหนดอันเกิดแต่จักสุและรูปก็ย่อมมีในการนั้นความปรากฏแห่งส่ในแห่งส่วนของวิญญาณอันเกิดแต่การกำหนดนั้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้นะการเห็นก็จะมีได้อย่างนี้รูปเป็นสภาพที่เป็นไปแล้วอย่างนั้นใดรูปนั้นย่อมสงเคราะห์เข้าไปในอุปาทานขันคือรูป รูปร่างกายทั้งหมดเนี่ยยกในทางตาที่เกิดขึ้นนั่นคือรูปเวทนาแห่งสภาพที่เป็นไปแล้วอย่างนั้นอันใดเวทนานั้นก็ย่อมสงเคราะห์ในอุปาทานอาคารคือเวทนาะสัญญาแห่งสภาพที่เป็นไปแล้วอย่างนั้นอันใดสัญญานั้นสงเคราะห์ในอุปาทานอาคารคือสัญญาสังขารแห่งสภาพที่เป็นไปแล้วอย่างนั้นเหล่ า, าใดสังขารั้เหล่านันา้นย่อมสงเคราะห์ในอุปาทานอาคารคือสังขาร วิญญาณแห่งสภาพที่เป็นไปแล้วอย่างนั้นอันใดวิญญาณนั้นก็สงเคราะห์ในอุปาทานขันคือวิญญาตพิสูจนนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าได้ยินว่าการสงเคราะห์การประชุมเพราะหมวดหมู่แห่งอุปาทานขันห้าเหล่านี้ย่อมมีได้ด้วยประการอย่างนี้นะก็คือขันห้าเนี่ยขณะตาเห็นเนี่ยแต่เป็นขัน 5, ห้าหูได้ยินเสียงก็เป็น ขันห้าจมูกรู้กล่นเลนรับรู้รดกายรับกระทบเยนร้อนใจนึกคิดก็คือขันห้านั่นแหละอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทนะก็คือเห็นปัจจัยและผลของปัจจัยได้ก็คือเห็นคําสอนนั่นเองก็ธรรมะที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นเหล่านี้คืออุปาทานขันห้าอนะอะไรที่มันอาศัยการเกิดขึ้นอวิชาก็เป็น สังขารขันใช่ไหมสังขารก็เป็นสังขารขันวิญญาณเป็นวิญญาณขันนามรูปนามเป็นเป็นในขันเวทนาสัญญาขันสังขารขันนะรูปก็เป็นรูปประขันอย่างเงี้ยสายตนะเป็นได้ทั้งรูปประขันและวิญญาณขันอย่างเงี้ยเป็นได้ทั้งหลายขันนั้นธรรมะที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นก็คือขันห้านั้นแหละ ความพอใจความอาลายัยความยื้อใหญ่ความยินดีความหมกมุ่นในอุปาทานขันเ ห, ห้าเหล่านี้อันใดอันนี้ชื่อว่าทุกขส ม, มุทัยนะความยินดีในขันห้าตัวนี้แหละคือตัวเหตุแห่งทุกสมุทัยสัตว์การกําจัดความกําหนัดด้วยสามารถแห่งความพอใจการละความกําหนัดด้วยสามารถความพอใจในอุปาทานขันห้าเหล่านี้อันใดนี้ชื่อว่าทุกขนิโรธอันผู้ใดตัดความออ ย, ายื้อใหญ่ นะใช้ก็นไปตัดเยื่อตัดใยตัดโลผ้านนั้นได้นั่นแหละเขาเรียกว่านิโรธสัตว์นะพระองค์ตะบอลท่านจงตัดความอะไรตัดความเยื่อใหญ่เสือเถรพรามณเหมือนพระองค์ว่ากั้นนะตัดความยินดีซะไม่รู้ถามว่าละได้ง่ายๆหรือไม่รู้จริงละไม่ได้หรอกเขาว่าละเธอละเธอมก็ไม่ละรอกนะก็ถ้ายังเห็นว่ามันดีถ้ายังยินดีในทุกอยู่มันละไม่ได้ต้องพิจารณาจริงๆมันจริงจะ ล ะ, ละได้ละได้ละได้นี่เป็นปหาหน้ปริญญาใช่ไหมปัญหาหน้ปริญญาต้องมีตีรณะปริญญาตีรณปริญญาต้องอาศัยยาตาปริญญายาตะปริญญ า, า, ญญานั้นต้องศึกษาต้องเล่าเรียนต้องปฏิบัติมาพอสมควรจึงจะรู้ได้ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายแม้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แหลคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอันพิสูนนั้นทําให้มากแล้วทางหูทางจ ม, มูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ในยะเดียวกัน ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลคำสังสอนของพระผู้มีพระภาคเป็นอันทำให้หมดแล้ว